ที่เรามาดูสิ่งเดียวกันมาดูการแสดงโชว์ของชีวิตเรามันโชว์หลายีเรื่องหลายเราสารพัดอย่างโชว์ความหลงโชว์ความสุขโชว์ความทุกข์โชว์ความโกรธกิเลสตะนาต่างๆสนุกดีสนุกทุกบ้างสนุกหลงบ้างมันหลงก็สนุกไปเห็นมันโอ้โอ้โออเออเออเออ ก็เห็นของจริงอ่ะอันก่อนหลวงตาได้พูดถึงเรื่องลังหับการปฏิบัติธรรมอันโชว์ขั้งสุดท้ายคือขันท้านั้นโชว์แล้วเกินโชว์ันครองมาอย่างพู้ที่เจ้าทรงสแสดงทรงสังสอนให้สาวกกำหนดสาวกทั้งหลายกำหนดลูกอย่างนี้คือลูกเป็นงไง เทศนาอนิจจสัญญาอนิจจสังขารในาชาวิญญาณในจังพระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงสองสนสาวกต้องหลอยเช่นนี้เป็นส่วนมากสาวกของพระเจ้าก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากก็มาเห็นว่ารูมา้มันมันแสดงออกมาเหมือนกับคนห้าคนต่างคนต่างธรรมะที่ของกันอะไรกันแสดงมี บทบาทต่างกันรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีนี่เป็นภาษาบาลีรูปคือการสัมผัสรูปวันหนึ่งคือการจีบหายพราร้อนเพรหนาวรูปวันหนึ่งคือมันเกิดบันดับได้ทุกภพทุกชาติมาเป็นตัวตั้งตัวตือนเวทนาคือการแสดงรสชาติสุขว่างทุกข์ว่างไม่รสชาติ สัญญาคือเจ็บตามเอามามันไปแสดงอะไรก็ติดเรื่องนั้นข้างขานก็เอาม า, าลําดับนํานําอยู่เรื่อยเช่นเขาว่ากับเราเขาว่าก็เร า, ข า, าเราขาทำอย่างนั้นเขาทําอย่างนี้คนที่เป็นอย่างนั้นคนที่เป็นอย่างนี้มันลําดับน้ํานําสัญญาก็มันก็ติดเป็นเหมือนเชือกผ้าพยอย่อมอะไรมาก็ติดอย วิญญาณก็เจ็บเอาไว้แล้วไม่ยอมไปไหนตั้งแต่เกิดจนตายทุกจนตายหลงจนตายโกรธจนตายโอ้พระเจ้าจงให้ตำแนกออกว่าโูกไม่เที่ยงเปธนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเห็นแจ๊กเห็นเขาฉู่แต่ก่อนเหมือนกับเราดูการเสีงคนมีรสชาติไปกับเขาเขาไม่ไอตี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 สภาพความเป็นจริงของขันต่างๆก็เลยหยุดหยุดเจ็บจริงเจ็บของขันหลังให้กันเลิกกลากันนี่หมายถึงบุกไปออมาเหมือนเช่นนั้นแต่นกดีการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เดือนลอยไฝฝันเพ้อฝันแล้วก็เห็นอยู่แล้วสนุกมันสนุกเห็นมันหลงสนุกสุขสนุกทุกถ้าเราดูเนี่ย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 เวลานี่เราหลงเพื่อนเราคงจะรู้สิ่งที่เราหลงเราโมโมหลงคขมหลงอยู่นี่หละเพื่อนของเราเขาไม่หลงแล้วเราจะมาทุกอยู่นี่เพื่อนของเราไม่ทุกแล้วเขาไปแล้วอุปมาอุปมาสอนตัวเองมันทให้แกวกล้าขึ้นมาแกวกล้าขึ้นมาไม่หวั่นไหวกับเชิงใดเพื่อนเราเชียเราอยู่อย่างน้อย ก, ก็หลายชีวิตอยู่ที่นี่ มันแจี่ยกระเเ ก, ก, กวก้ามีสติมีศีลมีปัญญามีสมาธิรอบรู้ทําไมแก้วกล้าขึ้นว่าไม่มีสิ่งใดที่จะถอยหลังเดินหน้ามันก็มีเหมือนกันบางครั้งมันเกิดปิติเกิดประสุิในการแก้วกล้าที่เกิดขึ้นกับตัวเองแก้วก้ามากทีเดียวก็อย่าไปหลงจนไม่กินข้าวจนน้า บางทีไม่ไม่อยากจินข้าเลยมันกืนทําลายก็อิ่มจะไปไหนไม่กลัวเลยช่างก็จะไม่ทําลายเสือก็ไม่กัดงูก็ไม่กัดแต่ก่อนกติเบอร์กติสิบสามเนี่ยอยู่ไกลที่สุดทางก็ไม่ม เ, เดินพอเท่ารวมเท่าไปเตะป่าเตะดอดไปไม่ต้องใช่ไปฉายคิดว่า ง, งูก็ไม่กัดกั้งคืนก็เดินมาแ ล, ลาไก่คําวัด ตอนเช่าเดินไปเดินมากลางคืนไม่คิดว่าแต่ก่อนงูก็มีเสือก็มีช้างก็มีอย่างอยู่มหาวันภูหลงเนี่ยช้างก็ยังมีเสือยังมีลิ้งให้เป็นร้อยร้อยพันพันแต่เวลาเราเดินผ่านไปมันโยอกล่อลทําท่าทำต่างก็คิดว่าเป็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่น่ากลัวมันแกล้วกมาก ความทุกข์ที่เราอดแน่มันเข้มแข็งความหลงที่เราเคยหลงมันลู้แจ้งไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอุปสรรคในการข้าวหน้าของเราการปฏิบัติธรรมนี่ยมันจึงเป็นสมบัติของเราแท้ๆแม้แต่การเจ็บการป่วยก็แก้วก็้าไม่กลัวนี่ยังอยู่ในหูเห็นเด็กคนหนึ่งถูก ง, งูกัดไปเลี้ยงควายอาอยุประมาณสิบเอดปี ฝนตกใหม่ไปเลี้ยงวัวปล่อยพวยไปเลี้ยงพันธุ์เท้าฝ่าหวาน่ะพอดีก็กบสมัยก่อนมันมีสัตว์มีกบมีอึ่งมีอะไรเยอะะพอดีกบมันกระโดดลงในน้ำหมวกน้ำขังใหม่มันกาลังล้องกำลังผสมพันธุ์กันฝนตกใหม่อึ่งก็ล่องกบก็ล้องให้เด็กก็ลงไปงมเอากบ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 แล้วไม่มีใครพูดัะคำว่าจะให้เด็กไปยังไงทำยังไงเพราะนั้นเขาต้องการอะไรมันจึงร้องเรนขึ้นมาคนเจ็บคนป่วยหลายชีวิตกลัวตายกลัวเจ็บเพราะนั้นเราเนี่ยควรจะมีอะไรที่มันแก้ข้าเรื่องนี้บ้างแล้วไปช่วยคนพวกนี้โดยเพพาะพระสองฆ์เราหรือทุกคนที่นี่ ให้มีกิจการนี้ขึ้นมาไปช่วยคนเจ็บคนป่วยคนจะตายไะ ม, มีปัญญาไหมจะทำไงเคยไหมเคยเจ็บเคยพ้นจากความเก็บยังไงเคยทุกข์เคยพ้นจากความทุกข์ยังไงเคยกลัวเคยพ้นจากความกลัวยันไะการเกิดเจ็บตายมันพ้นไปยังไงมันมีพู้ที่เจ้ากัญชาตาของเราเห็นเรื่องนี้จริงๆเราจรึงจะมายอมให้เช่นเหล่านี้ โชว์อยู่เลยเราจะต้องกลัวคิดถึงความเจ็บก็อ่อนแอไปเลยคิดถึงความแย่อ่อนแอคิดถึงความตายก็อ่อนแอไปไม่ใช่ความอ่อนแอเป็นกีฬาของพวกเราสัมมาเนี่ยอจึงถ้าทายกันเหลือเกินนะพวกเรานะนานเหลือเกินที่เราเวียนว่าอยู่ในพบน้อยพบใหญ่จากที่เราตรวจด้ามาพบน้อยพบใหญ่ เรื่องเดียวเรื่องเดียวเกิดแล้เวเกิดเดก็กลูกเล่าทุกอด็กลักเล่าลักเอกชังเล่าชังเอกเสียใจดีใจเรื่องเดียวมันไม่ใช่ที่ที่จะต้องมาค่องอยู่มันไปพ้นได้การปฏิบัติธรรมนจึงข้นขวยได้ด้วยความสุขขุมด้วยความสนุกสนานการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากลําบากแต่ได้ไปนาะ กลัวจะไ่ได้ทำาะไรไม่หรอกกลัวทำไม่ได้จะผิดจะจะทุกจะสุกจะทุกข์ไจะทนได้หรือเปล่าไม่ท้องอยู่ตรงนั้นแปาว่าลู้สึกตัวเนี่ยมันเหนือแล้วพลิกมือกันก็รู้ ม, มาเห็นตัวลู่แล้วดำเนินไปในทางนี้ไปลู้ไปลู้ไปลู้ไปมันก็ผ่านตัวหลงนั่นแหละตัวลู้ไม่ได้ไปอยู่กับที่เรา ลูกเข้าไปก็ผ่านตัวหลงไปเรื่อยแบบไม่ใช่ตัวหลงอยู่ข้างหน้าตัวหลวงอยู่ข้างหลังเรื่อยไปเหมือนเราผ่าต้นข้าวที่ก็ออกรวงเราเดินผ่านตาข้าวที่ออกรวงในแปลงตาของเรารวงมันสวนกันเหมือนเลี้ยวมือเราคเพื่อไงแล้วก็แหวกไป แล้วเวลาแวกไปก็เอาลวงเข้าไว้หลังก็ผ่านไปผ่านไปแวกไปตรงไหนอันที่อยู่ข้างหน้าเราก็อยู่ข้างหลังเราฉันใดยก็ดีการปฏิบัติธรรมมันต้องเห็นเรื่องไหนนี่แหละความทุกข์ก็เห็นอรู้แล้วผ่านไดแล้วมันอยู่ข้างหลังเราความสุขก็เห็นผ่านได้แล้วความรู้ก็เห็นความหลงก็เห็นผ่านได้แล้วมันอยู่ข้างหลังเรา มันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติหลงเจ็ดข้างผ่านได้ทุกข้างหลงหนึ่งข้างผ่านความหลงได้หนึ่งข้างเพราะอะไรเพราะรู้มันทุกหนึ่งข้างผ่านความทุกข์ได้หนึ่งข้งมันโกรธหนึ่งข้างผ่านความโกรธได้หนึ่งข้างร้งงงงอยข้างพันหนนผ่านได้ตลอดไม่มีอะไรขวางกันได้ตัวภาวะที่รู้มัมนเป็นศาสตร์แห่งความตื่นความรู้ให้เหมือนเราเดินทางทางโลก ทางรรมันผ่านได้เป็นทางผ่านหลุดพ้นไมุดนี่เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเราหลุดพ้นไปพ้นจากความหลงเล็กน้อยไปอย่าไปประมาทหลงสุขหลงทุกข์แม้น้อยก็มีผลมากต่อไปพุยเจ้าเปรียบเทียบกับน้าหยดหลงใจตุ่มทีละหยด ตูดหลังก็เต็มไปน้ําฉันได้ปฏิบัติประมาทไม่ประมาทถ้าประมาทก็เหมือนน้ําหยดลงในตุ่มก็เต็มไปด้วยน้นาาําประมาทใ น, วนความหลงความหลงก็มากขึ้นมากขึ้นไม่ประมาทในความไม่หลงความรู้ก็มากขึ้นมากขึ้นนั่นเป็นการกระทํามันเป็นกรมที่จําแนกได้จริงๆกรรมฐานเนี่ย ไม่มีวิธีอื่นได้ที่เราจะต้องศึกษาหังนี้นอกจากเรามาต่อออกมาจุ่มมองกับกายเรากับใจเรามาจะแสดงให้เราในทุกฉากจุมเบาความรู้จุมชิมความหลงดูมันเป็นอย่างไงมันก็รู้ได้มันก็เห็นลดเห็นชาติลดความหลงเป็นไงลดความรู้เป็นไงแล้วก็ตอบได้ ความหลงเป็นธรรมไหมความรู้เป็นธรรมไหมเราก็ตอบได้ความโกรธเป็นธรรมไหมความรู้เป็นธรรมไหมความอะไรต่างๆมันตอบได้ไม่ต้องมีคําถามใดๆการปฏิบัติธรรมนะการศึกษาธรรมะนะมีแต่คําตอบเราก็ตอบไปเรื่อยๆไปหลุดตัวเองพ้นตัวเองไปเรื่อยๆไปเจ็บใดที่มาไม่พน้นก็เป็นเรื่องที่สนุกไปสนุกกับเรื่องนั่นไป เจ็เราทํางานตรงไหนมันผิดเป็นศินละปะขึ้นมาตรงไหนมันถูกก็ชํนานาญไปเรื่อยๆศิละปะในความผิดมันก็ทําให้ไม่ผิดเราทํางานอะไรก็าตามเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนายช่างเป็นคอมพิวเตอร์พิมพ์ดีจิตเราตาเห็นอาจารย์ไปสารเนี่ยพิมพ์ดีจิตสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์นะถ้าเป็นนักเขียนนักสแสดง ท่านก็ไม่ต้องดูล่ะมือเนี่ยตกองแท๊บแท๊กไปตามเรื่องของท่านเวลาผิดท่านก็รู้ก็มาแก้ไปเอาต้องผิดเนี่ยมันเด่นอันต้องถูกไว่เป็นไรมันเด่นกว่าตรงที่ถูกตรงรู้มันไม่ค่อยเด่นถ้าตรงที่มันหลงอ่ะมันเด่นเหมือนแสงสว่างแล้วมันเกิดที่ใดๆอันมืดมันเห็นง่ายถ้ามันมืดด้วยกันมันมองไม่เห็นความรู้ความเห็นความมืดเห็นความหลง มันเลี้เด่นในทิศทางของของความรู้ความหลงก็เด่นในทิศทางของความหลง้เราเดินจงกรมเนี่ยทางเราเดินจงกรมเน่ะแล้วงูหรือไชเดือนขึ้นมาขวางทางมันเด่นมันก็เห็นนด้มันไม่ใช่ทางตัวรู้ไม่เป็นทางความหลงไม่เป็นทางมันก็เด่นเห็นไปเรื่อยๆแต่สมัก่อนเดินจงกรมเนี่ยทางเดินจะกมต้องตกแต่งมันเหมือน เหม้อนนะัทธาน้ำ ม, มันไปก็เราเดินทุกวันอาใช่เดือนขึ้นมาแล้วไม่มีแสงไฟตาก็ยังดีสมัยก่อนก็นหนุ่มมันก็มองเห็นนหะเพราะไมันไปเงามืดไม่เหมือนทางมันเนเงาสว่างเหมือนกระดานเราเนี่ยมันสว่างอะไรมันขวางอยู่นี่เราก็เห็นอันเห็นนี่มันปลอดภัยมันหลุดเาไมันหลุดจากความมืดมินี่เขาเหมือนกันการปฏิบัติธรรม ประจบการเราเองบนเรียนเราเองไม่ใช่คิดหาคำตอบอันคิดหาคำตอบไม่เป็นจรธรรมคิดได้แต่ว่าคำตอบที่เป็นจรธรรมต้องไปเจาะเอกันพูดว่าเจาะเอะคนหนึ่งจะเข้าประตูคนหนึงจะออกประตูมาพบกันตรงนั้นสติเหมือนกับท้าวานบาดเพ้าประตูความหลงความสุขความทุกข์ออกมาจากประตูในกายในใจเรา ปติเฝ้า อ, อยู่แล้วพอความหองเกิดขึนกก้นจะเอกันความทุกข์เกิดขึ้นจะเอกันความโกรธเกิดขึ้นจะเอกันเพราะหนึ่งเป็นเจ้าของอันหนึ่งไม่ใช่เจ้าของเหมือนเรามีทรัพย์สมบัติแม่แต่เด็กน้อยลูกของเราเล็กๆถ้ามันอยู่บ้านโจรก็ไปก้าวเป็นรักเพราะมันเห็นเจ้าของมันก็มีธรรมชาติเหมือนกัน่ะแต่อะไรเป็นเจ้าของอยู่อย่างที่เราเมื่อวานอุเซนไป ทำด่างหน้าผลที่วัดภูเขาทองแล้วก็ขึ้นเอามากขึ้นไปทําล่างน้ําผลแตนมันบินมาทนเราแต่มันไม่ต่อยโอ้ขอบคุณมันโอ้ยมันไม่ต่อเออมันอยู่นี่แหละเขาลบเขาหาวิธีอื่นก็บอกพระอย่าไปเลยมันนะให้มันอยู่นี่มันจะหมดพันแตนแล้วคนข่าก็ทําลาย ตัวแทนตัวต่อเนี่ยมันทำลายด้วงในในอ้อยได้ดีกว่ายาใช่ไหมเพียงเพราอยากไปทำลายมันแล้วให้มันอยู่แล้วก็หาวิธีไม่ให้มันกระทบกระเทือนแล้วก็ทำได้เคารพเขาถ้าไม่คเคารพมันก็ปะทะกันเหมือนหลวงปู่เทียนบอยว่าเคารพขี้ไก่เอ้าเคารพขี้ไก่อย่างไรอย่าไปเหยียบมันมันเหม็น มันเหยียบบ้านเหม็นแล้วไปนั่งเยียไผเขาก็ท้องเราโอ๊ยเหม็นขี้ไก่เหม็นขี้ไก่มันติดเหมือกันองคมทุกข์ของคนความชั่วของตนไปย่อมมาเลยหน้าโวดหน้าเบื้งเลยไปย่อมมาชี้ไก่มาแล้วหน้าเบื้งเบืงโวดโวเออคนเดินเห็นก็นเหม็นไม่อยากเข้าไก่แล้วพวกกรมก็น้าเบื้้อยหมกว่าอุ้ยเลยชี้ไก่คารบขี้ไก่คือความชั่วทั้งหลายเพราะฉนั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จะเลือกเลย บ่าหอบฟังเอาแตพ่ตพื้นตะเพื่อไปการปฏิบัติธรรมนั้นมันเป็นสิ่งที่เลือกได้นาชีวิตทองเรามันประเสริฐ จ, จริงๆนะแต่ว่าจะไปติดอะไรมันสุกขก็อย่าไปติดสุขมันรู้ก็อย่าไปติดรู้มันจะโง่ก็อย่าไปติดความโง่มันจะแดงอะไรก็ต่างอย่าไปติดมันไม่ต้องติดอะไรเลยเราไม่ต้องติดอะไรเนื้อดีเนื้อจิตเนื้อธรรมเป็นเนื้อดีถ้าเป็นผ้าเนื้อดี เรื่อการแสดงในคิดของเรามันมีบทปาดลายอยา่างเอาให้มันจบจ้ะเห็นทุกแง่ทุกมุมความจุกก็เห็นความทุกข์ก็เห็นแบนหญัติก็เห็นสมมุติก็เห็นปรมาจิตจักก็เห็นสิลเห็นสมาธิเห็นปัญญามันเป็นสมบัติของเราสิ่งเหล่านี้นะมันแสดงเดี๋หลวงตาเคยไปดูการแสดงสอนธรรมที่สิงคโปร์ไปกับพระพลังอันเพื่อนกันไปด้วยกัน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 อนนันเขาตั้งไห้บนเลยทีก็าถามพระพระลังเอา้าเขาพาเรามานี่ทำไมก็ไม่รู้ก็ดูก่อนไม่ใช่่ะเขาจะมาพาเรามาดูการละครการแสดงหลนตีเพลงอะไรจะมองแล้วนะดูก่อนมันจะคืออะไรดูแล้วในเวทีก็ไม่ใหญ่โตไม่มีผ้าฉากเวทีตางแค่มนี่แต่ลำโพงตั้งอยู่ พอถึงเวลาคนก็มานั่งนั่งนั่งนั่งเต็มเ ว, วทีถึงเวลาวก็เปิดเพลงขึ้นกานรแสดงบนเวทีเป็นน้ําเป็นน้ําต้นลำํออนนลำไหมเออมันต้นลำเลยเกี่ยวกันจบ ก, กันเหมือนคนอะสีสันต่างๆสวยงามภาพต่างๆ่างเอเราไม่เห็นเอ อ, เ, อ, าา เ, อ, อเขาจบไปคนดูก็ตบมือให้เกียรติดาวเ้าก็แสดงเขาขอร อ, อ ก, กันเออเราก็ดู แมันแสดงอะไรที่มันเป็นภายนอกแต่การแสดงภายในของเรานี้มันจริงที่สุดเลยแล้วยงมาให้มันลู่เรื่องลู่ราของเราเนี่งเงนพระพุทธเจ้าว่าเจชช้ิจริงแล้วความมัจฉัน จ, จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป ออกจากพระโอษฐ์พระเจ้าขั้งแรกที่สุดดังเราสวดเมื่อกี้นี่จิตของเราถึงแล้วซึ่งจะภาพอะไรปรงแต่ไม่ได้อีกต่อไปแต่ก่อนนั้นมีคือนิพพานมันมีไปนะแต่เนี้ยเขาลบนิพพานออกก็เป็นจิตของเราถึงแล้วซึ่งภาพอะไรปรงแต่ไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงได้ซึ่งกลัวใหม่ชินไปแห่งตานานะมันจะ คือพระนิพพานไปถึงตัวนั้นนะแต่นี่ไม่มีไม่รู้ว่าไกลกว่านิพพานไปตัดออกเรวก็สวดเฉพาะชินไปแห่งตานานทะ่านแม่หลวพ่อเสด็จไหลหลงตาเสดไหลคือถึงพระ น, นิพพานพอจบตัวนั้นก็หยุดธรรมะจบธรรมดเจ้าเพียงเท่านี้แม่มันสุดซึ่งเหลือเกินแต่ก่อนเราว่า่านั้นแต่ก่อนเราเป็นผู้ดำวัดสวนมนต์ขาโบดตั้นมาสวด บทไหนที่มันควรจะลงลงอย่างงดงามได้เรื่อยไก็เป็นการช่วยเราเชี่ยเราเอาพระสูตรมาเชี่ยเราเป็นสมบัติของพวกเราไม่จนหรอกพวกเรานาะอยู่คนเดียวก็ไม่จนอยู่ที่ไหนก็ไม่จนเลยจนในคุณธรรมจนในเรื่องที่จะหลุดพ้นไม่มีจนเลยคนหลงคือคนจนไม่มีทางไป คนรู้คือคนไม่จนไม่จนเลยนี่คือสมบัติของพวกเรามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทิพานสมบัติเราจะไปจนนั่นนี่ทำไมอ่ะไมเหมือนทรัพย์สินเหินทองต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกทำไรก็ต้องอาศัยแผ่นดินน้ำฝนเมล็ดพืชเครื่องไาเครื่องอาว่ า, วานพนาก็ใจลูกนาน้ำฝนคาดไถเมล็ดพืชดูแล ต้องรอเป็นครึ่งปีจึงได้ผลบางทีก็เล้งบางทีก็ท่วมไม่ได้ผลเลยเสี่ยงการมาสร้างมักสร้างผลเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงเลยทันทีปัจจัดตังทันทีพลิกมือขึ้นรูดทันทีไม่หลงทันทีเมื่อวันหลงรูดจึกตัวพร้อมหลงหมดไปทันทีพร้อมรูดมีขึ้นมาทันทีที่สารพัดนึกเก่ง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 ไม่มีสิ่งใดที่ทันใจเท่ากับสร้างมรรคสร้างผลชีวิตของเราเพื่อการนี่โดยตรงอันดื่นเป็นอิทิเลกงานที่เราเป็นหน้าที่ของเราคือสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้มันมีซะจะได้อยู่หนอโลกถ้าไม่มีสมบัติตัวนี้มันจะอยู่ในโลกโลกทับถมไปเรื่อยๆไปเจ้งจาง่ายตะโกนหลงๆเพราะเนี้ยพระสูตรพระธรรมคำสอนเน่ะ มันเป็นสมบัติของเราร้อยๆ้อยอย่างเอามาเป็นเครื่องมือเพื่อความหลุดพ้นผู้ ท, ทีเจ้างองบอกพระสงฆ์ว่าเอาใบ้บบ้างเอาน้าไหลบ้างเอาท่อนจุ้งบ้างพระองค์งอาจจะพาพระสงฆ์ไปนั่งอยู่แม่น้เนาเดือนฉละดแม่น้าอะไรต่างๆเห็นท่อนลอยมาตามลาน้ำผู้เจ้าก็เปรียบเทียบดูพระสงฆ์ ดท่อนจงมันลอยตามน้ามาท่อนจงบางท่อนเกยฝั่งซ้ายเกยฝั่งขวาท่อนจงตอนนั้นก็ไม่ถึงที่สุดแหงสายน้าเกิดงานแล้วไปยกขึ้นไปไปแหละไปช้ําแหลกไม่เหลือเป็นท่อนชงุทนชงท่อนจงท่อนใดติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาวก็ไม่ถึงที่สุด การปฏิบัติธรรมมันเป็นเอียงไปเหลไปสู่มรรคสุผลถ้าไปติดฝัง้ายคือเสียใจลบปอกฝังขั้วคือดีใจฝัง้ายคือผิดฝังขั้วคือถูกฝัง้ายคือทุกข์ฝังขั้วคือสุขมันเป็นฝั่งไส้เป็นขั้วมันเป็นบวกเป็นลบต้องลอยไปทีพระสงฆ์เทลานั้นจะไปติดฝังนะที่เสือสงฆ์เท่านั้นบางชก บ, บางองเงยบางรูปเนี่ย บรรลุธรรมเลยเห็นท่อนส่งรยไหลามาบางรูปเห็นใบไม้ล่วงลงมาติดน่ะบรรลุธรรมแล้วมองชีวิตต่อมันก็เป็นเช่นใบไม้มันหล่นลงมาเขมาดูตัวเองแม้แต่ปินเคียะพอเห็นคนผมบวดที่เแรกคนผมผมตกลงมาเห็นผมตกลงมาบรรลุธรรมแล้วนอกรูปแบบเยอะแยะ ก, ก, การบรรลุธรรมสมัยขั้งพุทธการเอามาสอน บางทีพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าสอนพระสงฆ์เอาเยี่ยงกวงางบ้างเยี่ยงไก่ป่าบ้างดูสิพระสงฆ์วางมันเดินหากินมันเป็นไงมันมาเชอรุดๆไปเหมือนหัวมันควายเราควายเรามันทางอยู่ตรงไหนมันวิ่งไปแต่กวางไม่ใช่วิ่งตามทางมันจะเดินไปตรงนั่นก็ดูไปนั่นเดินไปตรงนี้ก็ดูไปตรงนี้เดินไปตรงนั่นไม่เหยียบทางนะ มันไม่เหยียบทางมันเดินเก้าออกไปนวนเดินก้าวไปหน็บไปพิกสูตทั้งหลาดดูควงมันเดินหากินมันมีสติก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดรันรู้นะหลวงตาเคยไปอยู่นิวยอร์กไปนั่งทำสมาธิสรางจังหวะเหมือนเรานะ่ะไปท่าทายความหนาวไปอาบสนูลองดูมันจะหนาวขนาดไหนที่สี่ที่สามเนี่ยไปนั่งสร้างจังหวะ ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าใส่หัวครอบไว้ห่มผ้าจีวรจะนั่งอยู่แต่ก่อนแล้วก็สีเหลืองพอตังไปนานก็เป็นสีขาวน้ำแข็งเกาะลงพอสว่างมาใจหน่อยวงป่าเดินมามันเดินมจังหวอะอะมันมีลูกอ่อนเดินมาข้างหลังพอมันเดินมาแล้วก็มองหน้าขึ้นไปรูปมันแล้วก็เดินไปอีกรูปมันก็ไม่ใกล้แม่นะ มามาเห็นเรามันก็งองเราเราก็นั่งอยู่ไม่กระดุกระดิดว่ามองเราก็มันก็เดินเข้ามามันด่าใจไอ้ใจมาอะไรก็เดินเข้ามามันก็มาเอาเอาจมูกมันเดินเข้ามาหาทีแรกมันกลับบองลูกมันอย่ามานะมันค้ายๆบอกกันนะอะไรนี่เราแม่ดูก่อนแล้วก็แล้วก็เดจะบอกว่าชูหน้าเราเราก็ปิดหน้าชวนั้น แต่ว่าใบด้านยังเห็นอยู่ก็มาสูอ่ะล้งลองตาก็เป่าปากกันเขาว่ากวางเงี้ยฟันมันคมนะเอาจะกัดจะบุกเราก็เร็วแล้วก็ถอยออกไปแล้วก็บอกลูกว่าไปให้ไปทางนี้ไปทางนั้นเดินไปนะพระเจ้าชัดสะอาดเหลือเกินเอาเยี่ยงกวงป่ามาสอนพระสาวกทั้งหลายก่อนจะพูดก่อนจะทำก่อนจะชิด มีสติก่อนรู้แล้วรู้สึกตัวค่อยพูดเวลาไม่รู้เตืออย่าพูดต้องหัดตัวเองถ้าหัดแล้วมันจะนานนะเอาไว้พอสายมาไมนก็นไปแล้วพระสายก็มาอีกว่ะพามาอีกก็มาดืนให้ลูกกินนมมันเป็นฝั่งสะคอบสะมันสูงขึ้นมาทางล่างมันเป็นนันว่ะับมานอยู่ข้างหลังเราแล้ก็ให้ลูกกินนมพอลูกกินกกนม ล, ลูกมั น, นอนลง ลูกมราล้มก็รีบไปเลยบวะพอสว่างมาเนี่จากลูกไปเลยเอ้าวกวางตัวนี้มันทําไมทลี้งลูกเนาะเคยเป็นเหล็กเลี้ยงวัวใช่ไหมก่อนวัวเนี่ยมันออกลูกใหม่ทางเข้าบ้านเป็นเลนเป็นโคนมันไม่สามารถที่พาลูกเข้าบ้านได้บ้านเมืองใช่ไหมก่อนไม่มีการพัฒนาที่เลนมีโคนถึงทองท่องวัวท้องขวาย ี่นี่อันวัวแม่ลูก่อนมันเอาลูกไว้นอนในป่าแล้วเมื่ก็้ทิ้งลูกมามาอยู่บ้านลูกก็นอนอยู่ในป่าแล้วพ่อไปไปเราก็มาอยู่บ้านไม่เห็นลูกวัวก็บอกว่ามาเอาซ่อนในป่าเอ๊ะมันซ่อนน่วอย่างไรมันไม่หวงลูกเลยมันมีวิธีอะไรกับว่ลูกเสือก็มีหมาป่าก็มีทาไมไม่มากับลูกมันมีอะไรเนาะมันดีกว่าเราไหม เราสามารถลูกน้อ ย, นอยในป่าไนดะ้ไหมมดเจาะๆอะไรจะกินเนื้อลูกบัวตัวเล็กๆ เ, เนี่ยไม่เป็นเลยพอไปปล่อยไปวัวตัวนั้นเลี้ยงไปมันก็ไปกับหมู่พอพบไปเห็นตัวนั้นมันวิ่งไปหาลูกมาเลยลูกก็ลุกขึ้นยักกินนมตามลูกไปเข้ามาอีไปเจียงมาอีกอันกวงตัวนั้นเอามาเออมันด่กจะเหมือนเราเลี้ยงวัวสมัยหมก่อนว่มาเอาลูกไว้ด้วยนะ เอถึงเวลามาฉันเช้าก็มาฉันเช้าก็เลยไปเป็นเพื่อนของควงน้อยตัวบัวหมาป่าหมาป่าก็เยอ ะ, ะนะสาร์ัตน์ตัวใหญ่เลยนะหมาป่าไปาจะเข้าทําไมนาะเราก็เลยเป็นนั่งเดินจมกลมเป็นเพื่อนควางน้อยตลอดวันมาข้ามาข้ามาก็ยังไม่มาแม่ควงเอา้าไม่ทํำไงบ้าหรือเปล่าน้อแบกควงตัวนี้เนาะก็นั่ง เราทำไงพอข้ามามือมือมือมาเยืนลูกก็ลุกขึ้นมากินหนมพาลูกไปเลยโอ้เหมือนกับเราเรื่องวัวใช่ไหมก่อนอันนี้สัตว์ป่านะนั่นมันก็มีอะไรที่น่าศึกษาพระเจ้าจึงเปรียบเทียบไก่ป่ากวางป่าแย่วันเวลาออกหากินอ่ะมันโขกหัวขึ้นมาปั๊บแล้วก็มองหน้ามองหลังจะไปทางไหนก็ไปไปแล้วก็กลับป่าลู่ของมาน ชีวิตเรามีบ้านนะอย่าไปตะเพิตะเพกลับมาหาความรู้จึกตัวเรอกลับมากลับมากลับมาแต่ไก่รุ่นเนี่ยติดบ่วงนะไก่จ่าไม่ติดบ่วงรู้จักไก่จ่าไหมหางบันแฉมมัย่อยลงถ้าไก่รุ่นรุ่นหนึ่งเป็นจลูนเนี่ยอันนี้ติดบ่วงดีเดินไปในรุ่นรุ่นเด้พวกนายพรานทั้งหลายไปดักบ่วงได้ไก่รุ่น ไก่นมนมสาวๆมันเปลี่ยนๆๆไก่จ่าเนี่มันเคยมาแล้วเคยรู้เคยหลงมาแล้วใครเคยรู้เคยหลงเปลี่ยนความหลงเป็นตัวรู้หรวอจ่าแล้วหัวหน้าแล้วไปเลยแต่ใครหลงก็ยังดูนั่นแ่ะประมาทอยู่ดื้อด้านอยู่ไม่เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นะว่าจะไปที่ถึงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นทีเคยเจ็บเจะตาย ต, ายตรงนั้นนะ